ตังวสูเัเ อ, อ่อนับต่อไปก็นมีที่วัดโตอายุอ0ปีบางแหง่งบางวัดมีควัญมียมจวน ร, ระบุตรมนุนปีแต่ว่าทางขวัเข้ารับ ตออนุข่าปีแตบว่าเป็นนั้นได้ทื่กันนั่ก็เจ้าประสงค์เป็นผู้ตัวาสอเสอาสมาธิได้ที่กันโัวใจฟ้ายังยืนสมาธิสำคัญเพราะสวดสวเป็นสัญญาทองอมตะพรเจาประดิษฐ์โลกประได้แต่ว่าเป็นขวางของพทะเจ้า เป็นเหตุไปเป็นปีนไปเข้ามาสมาธิหรือบุญเป็นของห้องเห็ุเองเห็นเองเป็นของห้องเบิ่งเองเห็นเองหูเองตาคิดเป็นสติสมาธิสบายหรือบุญไหวเข้ามาสมาธิคือสบายสมบพนั่นคำของพระพุทธเจ้าเคนบอก สุขกนยิ่งกว่าความสงบไม่มีถือคติแค่นี้กับพอเป็นพ่ิได้สอนบอกว่าสุขเกนยิ่งกว่าความวุ้นวายไม่มี น, น, นั่นถ้าคุณสวดได้แน่ว่าได้แน่กัสวดโดนอะไรโดนโดนจะน่าหุนไหวหนห่วยหรอว่าได้บหมนั่มีคำติไป็นเราด้แต่แบบคำธรรมติบไม่ ม, มีตีได พอว่าเป็นลมหายใจพอออกอ๋อูุรีสิไป็นตีว่าตีเพิ่งเหอย่างล่มพอเพิ่งจะได้พอออกด้วยนะ่ะกันห้าบัวมีลมกันไปแล้วตัวนะ่ะมาตีก็ได้แล้วตีคำของผู้เจ้าให้ยึดนิ่งให้ยึดสงบกันสวดมันบูญไหว้ดีก็ ด, ด, ดีใส่ไม่หลายพวกประจมคือกันแล้วบางอิสลามเขาสวาดถึงว่าเขาห้องบูญไห ว, ไวนะ้ เขากระส่วนหาพระเจ้าเพื่อกันนี่เขาก็เอาคํานึงกับส่วนหาพัวพระเจ้าเพื่อการกระส่วนถึงแบบแปลมากเพราะฉะนั้นเรียกว่าอยู่ว่ามีปัญหาคือทําสมาธิผู้อื่นกับพ่ติว่มีท่าปฏิกนจะมากนวกหูว่ามีคนทีมาว่าวุ่นวายเรากูได้เห็นสงบสงัดเหยบเห็นว่าแต่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 เรือทั้งโลกนะจะนั่งขามาวัดมันอย่างแม่เดือทั้งโลกจะกว่าพุ่มบุดีุ่ไว้พุมอยังนี้เเห็นว่าถ้คนุ่มขมว่าเบากันเบาพอจะหาวันเอาว่ได้เปิดภูมไม่พวมเบาแยงหลายนะขโว่าด้วยพุ่มสงบสงัดเป็นแนวทางที่ดีช่วยพระสงฆ์รักษาพุทธศาสนาเด้ ก็นองมา ว, วัดสิพวกมันว่ามาวาัาดสิวัดสิวัดสายเลยก้าวัดวาจาไดาา้กนะ้าวที่มีหน้าตาเลยนะวัดจิตใจให้นิ่งสงบขาดก็ได้สามย่านเดี๋ยวนี้คนในบ้านเมืองในโลกของพวกเราเนี่ยได้ย่างเยือกขึ้นทั้ท่านท่นเดชศีลกับภาวนาศีลกับปุณณ์ในทีมแล้วมีอยูแต่เพืนหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจิ ห้อมผ่านก็ต้องปาก็ต้องเว้าห้มผู้ใดต้ห้อมเป็นหรือตัวเพนมากยักว่เว้ายั้งกันเพรกเขาสมาธินั่นเพราะสมาธิบุพกระทําคว่ำเวา้าคว่ำจานี่มันไปเราได้สมาสมาธิพ่มีได้ไัวผู้อื่นก็นเดือดร้อนเสีนี้ผู้ตั้งใจบังรมงเบาล้องเก็เลยตีแตกสารนโมไปน้องกันหนกเว้ากันอุนไปเหมือนทำ ก, กันกับ ฟอมกัดจันแกก็ฟอมกัดจันบ่ไมีหรอนล่งเติมืงนแล้วก็เนี้ยไอเรื่องนี้เริ่มห้องฝนตกเลยยาวๆนักบวดเัาว่าแต่สัตว์มันเป็นธรรมชาตินว่าเป็นหนังคนเขาต้องเม่นว่สตงอนั่นเห็นใดว่าก็ก้องด้ ลกเมือ่อแสงขงวนันอนอนถ้าเจ้าก็ะงก็จิสะดวกในตัวในด้วยพบตะมกประมาทระวังคำพูดต่างขาา <c oughs> ต่างก้นคอยนอนลงแท่นก็ได้งางก็ได้เ <c> ป <oughs> นนุมเมือ่อรลก็เบิงล้มเขาล้มออกปิดหูสย่ยัวปิดตาเสียกวางปิดปากสะบ้างวนอนเบิงลมนอนทับบุญ อ้าวอย่างตัวได้อุตมสิทธิ์ได้ลงคอลงคอลงคอลงคอขนาสองขั้วตัวสันใดยางอุตอตระกวาโตปุปปะปากันมะการะงกาโร o a o ดัตตาดัตมะยวาตานังเยวิตังญวาิาน Mani padma a d a n a โคินริยังโรคินริยังโซมานาทินนริยังโนาทินนริยังโกเบนินนริยังทนริยังวิริยินนาริยังสตินนริยังตมาทินนาริยังปัญญนาริยังอาณาจััตตาภินาริยัง สัจจานีโลกังอริยสัจจังโลกาสมุทโยอริยสัจจังโลกามิโรโตอริยสัจจังโลกามิโรตัสาไมนิปติปัาอริยสัจจังาวาปิสังขาร นันโรต้าปะนาโร Oh, I see. คอยรบกวนอภัยพับผ่ารับริ้มผ่าแต่กันเพื่อนกันให้ควารุ่นพุชยังแรกก็ไปเรีร่วมประมาวางไวทง้วทั้งปีจับปากจะบอกสติสกซีตงการกับม้าห้างเห็รการนือหน้าเดือวามมีสติตสกต ก็ได้ แม่เด็บผามาเด้อตาอมาว่างเปล่าโรกรัพั์ไผ่ัพเนี่ยจันไล่อรกกับ่าตอบ ก, กับสันฐานให้แก้วผู้ฟังพู้แก้ว เด็ยว่าเราลุกยากไปยากแบมบนี้ไม่แต่ยเกยากที่จะเป็นบอลเจียวยาเจียวบอา ทั้งไกลทั้งไกลเขาเหตุเขาทำอยู่แต่จะสมกันไปเห็นมัทั้งวันนี้เขว่าบ้านหันทำพิธีทป็นได้ปะลงปู่อินเป็นวนาเป้นว่าได้ปะเพราะเขาเหตุสมมุติเขาว่าอายหรอหนาบุญไหวเป็นตอาย ทางกบฏโอ้ยงติได้ขึ้นงงแกว่าไปวัดทับุญนั่นคอยโดคอยแงคอยโดคอยแงมันติได้อนคัมเวลาขอวัดคอยโดออกจากภูงซ่านแล้แสดงบอกไะไรยิ่ื่นอะไ้ยิ่งอะไยิ่งต้หัวใจห้องผู้เดียวนะ นั่นแหะเขาว่าทำมือบังคับใจคนเฮาไหวปรุงแปงแบบโลกโลกไห้นึกคิดแบบโรกโลกจักแบบโลกโลกโลกนี้บุ่นวายหนอนนะโลกของพระพุทธเจ้าไม่บุ่นวายหนอนเี่เห็นว่าเข้านเขานั่งกันนั่นโลกของพระพุทธเจ้าเด้ถ้าโลกของทาง บานเมื่อเงาหนือนุ่งว่าพระจำแล้วจำเองจะเชียงขึ้นเชียงลงวันวัดงูนกเอียงจับใบอยากให้เป็นสิริอยากให้เป็นมงคลจเป็นสิริมงคลเพราะพระเจ้าประสงค์ประงบพอกตนนาทน้อมประงบโดยเฉพาะที่กรรมทั้งพระพุทธศาสนาทิมพอได้อันเชิญเทวดาได้ เป็นว่าศักดี์สิทธิ์ประยันเล้ในการตรวจปริแตกมงคลหรือตรวจต่ออายุมูลนิธิแตเชิญมาเราก็ต้องรับทราบว่าสิ่งปกงป้องคุ้มครองทุกผู้ทุกคนมีเครื่องปกป้องปกงปกัอรักษาด้คําบนล้านคุณวางใจพ่อให้เป็นศีเป็นดีเป็นเทวดา น, น, <Yeah. S 1> น้องมาวัดมาเห็นคุณงามความดีที่ออกแบบเครื่องเท้าบานเพไ่อ คือจังห้องนั่งจังสี่แล้วคือบริน น, นัง่งคือหาฐาเฐานหานแต่เขาวัดวเขาจว่าเป็นประสาทหรือเล่มาเนี่ย ม, มันคือฐาไใหญ่อวดอย่างดีประมาทพุนประพุธกระทำประสง์งถ้วนตัวยินญาบรนยาสกวามเคลือ่อนไหวไปมาว่ามาถึงว่าเรานั่นนงปุ๊บ ป, ปั๊บนั่นแสดงความเคารพบูชา ล, ลดตัวโยกมโนเคื่อเกิน นั่นเป็นดอกบัวดอกตาปลงไฟงามๆนั่นหนาวมากบูชาไปหาปัสตัดดอกไม้ยุงดอกคนนัางชอบยุงนั่นหลวพปู่เจ้าก็สอนไปหาเหยีเป็นทีว่าหาว่าหลวงพ่อตีอันตีนี่ได้บหมตีจังเลยเอาคํำของพุญเจ้าเขาบอกชูฟังพลวงปู่เจ้าเขให้ไปเบียนเวียนกุกไม้ดอกไม้เขาเขาเกิดมาธรรมชาติสังขเจ้าอยู่สบายอย่างน้อยเขากับมีลูกตัว มียอดมีโตนมียอดมีดอกมีลกูกน่ะคนไปคือกันพวกแมงสั้นติไปอันดับไปอันดับไปไปเทียบไปฟังรถไม่เขาขอลองอยู่บอมีหูทิวมว่ได้เย็นดิจะตัดฉันไปฉันก็มีลกูกอยู่ขอลองตถอจะตัดฉันไป เมื่อเขาเอาไอ้อาจารย์คูเจ้าสอนใเอาเมื่อตัวต่างดอกไม้ต่างรูปเทียนมีจักครูดอกไมห้หาคูเนเมื่อสิบนิ้วเป็นน้องถึงง้างๆให้เป็นตูมบัวระ ว, วางหัวใจกราบล่องนั่นเลยบูชาพอดินันรูมีสมาธิเข้าไปอีกก็อิเมนาสกาเลนะครูทางอาภิปูจยามากก่าพุ่งไปหามามเลยเมื่อมึงเฝ้ากลับปะปบขึ้นไปฮับียังหลับ ตำรวจ่านสวัสดิกาบคือเก็ักกาบหลายคือเฝ้าไปหาอย่างนี้นหาปนหา ก, กี้หาคาดหาตีหาปลักขโมยใส่คือเฝ้าแท้ต้องเคื่อนจับของถุกเวลาหนาทนี่การตรวัดเคลื่อนไหวไปมาจากพวกการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของว่าจะาผู้คำว่าที่วัดผู้ใดเป็นผู้กับทับเบิ่งแรกสติเราเรืรู้เราเรื่รรรรู้ใจวิธีคิดแบบไห มันจะพูงยังบอกว่ า, าตามประกอบตามเลี้ยงสติเป็นพีเลี้ยงใจแตเามี เ, เ, เ, เ, มเ ล, ล็เ ก, น, ลกน้อยพีเลี้ยงของเล็กน้อยเด็กน้อยผมมีีเลี้ยงอันตรายนะใหญ่คนเรมมีีเลี้ยงอันตรายด้อกันองดบอกคือพระเจ้าอยู่ยคนเดียวระวังความเจตอยู่กับเมธระวังคำพูด กันเปล่าบ้างทะเลาะกันตัวคำว่าเห็นบอกมูอพวกขักกันหอมกันปะด้าไปตีวงกินเหล้าบอกกันไปบอกกันมาไปมาคิดกันผู้พวกกันไปขากันเป็นเรื่ยงเป็นเหล่าวช่วงเหลาทันห้องให้นั้นว่าสิโอ้ยขักแย้งกันก็ลอดแคแล้วขากันเห็นบอ เอาน้า บ, า, นนบนนาบ้าก็ไปใส่เราเป็นเป็นตัวตีตัวเดนทำพนันก็มีจ่าบ้าอีกทำตัวสมุนมาจ้าบ้าเป็นอะไรก็นทั้งสิ้นอยู่ไปกินกันอยู่ขาดพ่อตีแม่ขาดพีขาดน่องเฮียนะพราะอย่างละ่ะงผลิตยาบ้ามัวเมาเมืมม่อไปหมดใจมื่อยบอดไปหมดจักกู้ใด้เป็นพีเป็นน่องก็ แน่นนัให้แน่นนับภาคทาบุญนี่แหละทําบุญทานศีลบุญโดยตัวนี้มาแรงห้อยด้งก็ได้ยงน้าเดืองของธาตุสังขารภายในน่ยุ่งอยู่น้าภายในใจของห้องแล้ว่าสังขารภายนอกคือร่างกายก่อนนี่คำว่ายุงตามปกติการงานแนวนั่นนี่ยุ่งน้ำเลี่ยงอาหารกันนั่นยงเราเรียกว่าทำอี <tir yummy> คีดคาดได้บมิเต็มเแล้วหนังตานหนังยังเหี่ยวปวดว่าตัวผมเมื่อตนนี้ก็ได้เข้าสมาธิยังหน่อยจนถกับหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่ดีกวบปฏิเหตุปดิทามเอาพิธีมาทำบุญกันไงทำบุญก็ให้เตือนเจ้าของหล่บเอาเขามาวัดทำบุญทำบุญขึ้นบังลบหายใจเขาออกนั่น นั่นแหะอาหารใจนั่นแหละเครื่องแต้งใจนั่นแหละเครื่องรักษาใจเครื่องสัดปลอกใจก็คือร่มขันเห็นรมกัใจของเฮาก็สะอาดตัวขันบ่เบิ่งร่มใจของเฮาส ก, ป, กปรกบนไปยืไสสกปรกใจแต่แทย้ยังจะมีเนี่ยมาเคล็ดเห็ใจสกปรกเอาก็วาว้มโลกว้มโกรดได้ก้มรักว้มโลกไ ด, ด้ขันว่าก็จะเอาก้มโกรดผมนใส่เอารักก้มโลก ขกก็มาจากข้อรอขันลอบก็ได้ก็โกรน่ะอันเห็ดแตงตัวา ง, งามก็โกรน่ะรักก็มาจากสวยงามนั่นหลักมอนโรกอันเขาเห็นบุญสกอนนี้จังสิบจากว่ารักโลกนเป็นมอนโกพเห็นบุญสักกอนเพระจักรทั้งทั้งที่เาคุกชีอยู่งก็มอนลกเฮตือนึ้นมากก็อยากควารวยอยากสวยงามแตงหน้าแตงตามันยุ้หมอนโลกก็ล่ะน่ะ โลกาคือความมืดเห็นป่อพุ่อยู่ในโลกควบยิเหล็กขอบน้าจิตใจใหิม่วงเม่ามืดบอดใจมืดอใจดํำอามาเหิษบานิเมื่อยก็ไปลบไปกระดำก็ไปอีกได้เพรามีเมตตาฝานี่เพรมีความลองสมานถามาที่เพรมีพวกมเมตตากันเห็นของผู้อื่นอยากไรอยากโลกก้นจี้พาตีนั่นคะั่มของกุญเจ้าให้มีเมตตากัน ของเขาของเราเขามาเอาของเขาเขากับพ่อใจเขาไปเอาของเขาเขากับพ่อใจจะไปเอาของกันไในยังต้มตัวก็คือกันหลอก่วงคือกันตัวเขากับพ่มากลอกลวงเขาจิตไปหลอกบ่วงคนเดือนต้มตัวคนเดือนในยังโอ้ยกระเด็นนําคําสอนของพระเจ้าเียประเทศเท่านี้นาอยู่ที่ทุดงพุ่มของมนุษย์ประเทศของมนุษย์เด่นประเทศของเทพตะวัาได้ที่แนี่คุณศิลปุตธรรม นี Julia, i mean like twitter, blood, again, ่ชาวไทยชาวพุทธมีตะเหลืองตะเหล้าคากันหลอกล่วงกันต้มกันเป็นแตนายประเด็นคำบรรเาว่าบอกกัน้วยเหรอโอ้ยมันมาเป็นแตนายแต่น้อว่าว่าอยู่แต่มันนายประเนก็เเห็นคจรินกิ๊บมิบกับคนนายแล้วไม่เห็นคนกินของใจของม้วม้วนมือบอดเนี่ยคจริงของพุทธเจ้ายังหล่ะเขาสมาธิดูสวกางสบายเย็น หลังฐานร่างกายบนเทียงเกิดแล้วแก่เก็บตายคือเลาทองไปแล้วหัวจีนหลังฐานร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีระการต่างๆหรือวอาเล่ยเสื้อว่าวราก็เข้าถึงหัวใจบอกนอนกอดของปฏิคูนเอาพิจารณาผูงรูทิดสวดไปแล้วอาหารไม่อาหารก้านหนำหมดนนำคูดหนำน้องนนำใส่น่อยใส่ไั่ เป็นอย่างนี้อะไรออกไปสามสิบสองกฏทานแล้ะจะลูบหายใจแบบนีนอีกเต็มไปด้วยของไม่ตะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้อันตรธานข้อมเป็นจริงของปุบรเจ้ามึงบ่มากขวอมเป็นจริงลาตา ม, ม, มุมหินชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิพยาธิทิงอนาติโตเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมงเหียนมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมดาเพ้าใจห้องไหนะ็รอก็แล้วแน่นหนาหมอก็รอก็แลแน่นหนาหมอหายแล้วกันยังตายก็เก่ามันมีโรคบันไดได้ จะรักษาคนก็ให้ตายได้ อ, อ๋อในดอกปู่ญาตะย่าของไปหาด้วกันก็หาหมอดีประดี๋ยไปเกิดดีแก้อีกเจ็บดีตายไปเกิดประด้กลร่างกายที่เกา่านี่หมตจกทุกเลยนะพี่คนพิการว่าไปบดหนวอขอข อ, ข อ, ขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองอขอถวเราเกาา่ า, นาหนาหาเคียอยู่น้่ขยะคนยูเขาเห็นชุดนี้เขเห็นแล้วเาเคยเบื่อใจ เห็แนแต่ว <them> ่าม <c oughs> ือนันต <c oughs> ิดด้วยมือเอนฉัติดด้วยพินาฉนิดด้วยพินาเศรษฐจิตดีอันนั้นดีอันนี้ดีไปสิ่เดบยวอันใดมันก็ดีหมดแต่จาใจของขม่ดีงมวเเพิ่เิแต่เจอะแต่ยนขุ่เพิมเ้ไปหรือปลาบอบขยันบอประจักพิจารณขยันหาขยันใจเสืออยู่ในตู้เต็มอยู่ว่าแตเขามาขายซื้อซอ ยาที่ฟันใส่เครืงเดีย ว, วระบบใส่เที่ยวเดียวทิมแล้วเอื้อมลูกบอลเครื่องเลนเครื่องหัวโทรศัพท์ย่างนั้นย่างนี่จักรย์ยีหัวนี่นั่นมีสิบคนโทรศัพท์จักเครื่องมุนอนี่เครื่องเลนรถ ล, ล่ามุนไม่ตัแนวเลนก็ไปอย่างเด้เห็นบ่ลูกหลานทุ่มเงินยีหัวพอดีโอเคมันเกาแล้วทิมหนักปอยหนกไม่พ่มีไปหาเจยบหาทืม เอาใบแดงสิ่งสุดวันของโลกเพราะขงโลกเพรานสินดงศุลเพราะคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนวสิ้นศุดนี่ดีกว่าเขาสมาธิสบายเพิ่งลมหายใจก็ออกสบายลมหายตายจากไปลมล้มกับพาะไปสวรรค์ลมกับพระไปเป็นผ่านว่ามัานลารวยสวยงามพระไปสวรรค์นในผ่านเดี ลำลวยสวยงามภาพไปตกนรกเกิดอีแกลอีเก็บอีตายอีทุกอีกนะเน็นจิตเห็นใจเห็นร่แล้วเมื่อจากการเกิดแกลเก็บตายกับพมีรุดยอดว่คขัของบุญเจ้าจึงพอเบิ่งเอาไม่พอเห็นเอาพ่ได้ซื้อจักบาทตัวอาหารใจของแตงใจของสักกอล่ใจได้ซื้อว่าร่มอาหารใจก็ออกนั่นล่ะ กันเข้าบึ่งยุทธ์นี้ยุดธ์นี้มีสมาธิมีปัญญามีก้มรอบรู้ว่านรกเป็นจังไรสวรรค์เป็นตั้งไดเ น, นี่พึ่งก็พอเห็นแล้วปนรกพเขาพอเห็นบุญนีอ่อ๋แขงกันมึงโลกนั่นมงมึงลมหายใจเข่าออกนอนงลมหายใจก็ออกนอนกูเนกับนนคิดแตได้อย่างดีอยากห้างจากนี่ยากลำํากรวยหาเอกว่าได้อาไปมาก จากลกจากกอจากลงปัญญาทีเอาคนของเขาจักเจ้าเขานั่นไปจากความมือกี้ามิสิสุความคิดนี่โอ๊ยว่าจิตินุดรอาหารานมันิตสิของมเป็เจ้าควเกิดมาโดนแล้วเอายังไปน้ำนานั่นใดเนย มันร่มแล้วก็เขาถิมจูถิมจีถิมเม็นั่นเห็นไนน่กตัวู่จะใสกตัวปูคือใจตัวเ้าคือใจก่อนลาตก่อนนี้ก้อนของพ่อข อ, ของแม่น่ประพัฒตลงังคิดตังธรรมช า, าติใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นปู่เป็นพ่อยากพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วอยากเก็บน้าทําตามคําสอนของระพุฒิเจ้าเดิมแล้วพระโค้งใจยังเกลียเลยพระองจักว่าใจเกิดมาเพื่อหนังเลยใจอยากมาเห็นหนังเลยพระเจ้าคงจักเขาพวกนี้รู้ๆคิดพวกนี้แล้วเขาเกิดมาเอากระตามาตั้งเส้นหีสองน่วยนี่นวยหนึ่งใส้แนวดึงใจแทงใจรักษาใจกระตาหนึ่งแนวแตทงกายแนวรักษากายแนวเดึงกาย เานับเบิก็ได้หัวใจเขาเาเบิเื่องเียบิ้ลใจเขาเบิ้ลเทื่องียนึ่งร่างกายเขาแต้นเคื่อเชียนึ่งร่างกายเขาอาหารกินมึงนึ่งเทื่อียร่างกายใจหายเื่อเชียรถามก็ไปจุดนี้่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าใจพระพุทธเจ้าหัวใจพุทธสแต่ว่าผู้รู้เขาก็รู้ยใจอยู่รมนั้นถเกิดมาเขตามรู้ เดี๋ยวเบื้องบ่ใจอ่ะนั่นตัวเขาใจเวลาเจ้ากรรนยเวรบอกไปถามไปไงไปไงเจ้าตั้งใจว่าไปเบงสวรรค์เบนิพานเห็นบ่ไปบ่นทังไปสวรรค์จะทงไเคยเบงัาต่ได้ไไไมาจากเมืองไหมาจากเมืองนรอไปลงไปเมืองเก่าแล้วเจ้าบจกทงไปใจเจ้ามือ่อ ไปไปบยอาทิตบยาานเนจกานเวรปุษยอาทิว่ามีามพระยมประบานเขาว่าวิชอรดอกปวัตตอนนี้ขอบสักัมปอุยน่ยคือมาวัด น, นี่ยนะพูได้มากก็หูเองเห็นเองเดู้บคคมากามา ก, ก, ก็ไปถามพระบ่งจักบอกถือก้อไปถามพระบุเคยเห็นบุญพระจะบอกไทับุญถือก้อ บุปเจ้าเป็นไหยเสียผาเป็นนี้สิลห้เสีอพระพุทธเจ้าเส้อเหต่ยผลเพราะฉะนั้นจากลูเหตุผลเขาเบิ่งรอดคำมาแรงว่าจะเข่าจะน้ำเด้ก็จะไปหาเบิ่งแนววุ่นไหวเขามาทึบนั่งบิ่ง้เข่าลงบอกลงมขอเดียวโท้งมือถูกมือจังหน่อยที่สุดมือหนึ่งหนึ่งเทียมือหนึ่งเทียหนึ่งเทียหนึ่งหนึ่งหน้าที่ยกนี่ทุก ย้ำมาว่ายังไดลกีจำตัดอยนี้ตีผู้ใดเห็นทำว่าเนี่ยการมหาทศกวางถามอะไรผู้นกผู้ใดเคยทำบุญผู้ใดเคยเคยนั่งสมาธิน้ผู้น่งขึ่งดูผู้ใดเคยนั่งอมื่ยรงควว่าก็ชู้ที่คนนั้นหูจู้แก้ใจอยู่แล้วนั่นละปัจจุตังรู้จำเพราะตน โคดูรู้แง่แหวงสมต่อ <c oughs> เรืองนาทุนกุ น, น, นกคนในเรื่องราจิพี่น้องเป็นเสียตละมากประกอบพิธีกรรมในทาคพุทศาสานาเทปเป็นประการประจำปีหลายปีมาแล้วเฉพาะเทศการสงศ์ตายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามขนมนียมประเพณีของหลวงพ่ อ, ข อ, ข, อขอพอรปีใหม่ขอพอรปีใหม่ โดยพาระเจ้าพระสงคนแม่ครูบาอาจ า, า ร, ราย์ชนิดศาสนาโลกคนเขาเลให้้าดปีไม่ให้ฟาดทุกเมือ่อขอพอดวัดไม่สวบายสัตว์ตีกว่าขอพอดปีไม่ปีรืจะให้จะหรือจะได้ประโยชน์ยังให้ทุกเมือ่อหรือให้ทุกหมือด้วยมันเพะาะเะไปให้ด้วยตาแต่ใจของคนเพิ่งให้ได้มันแพรเมตตาสเปรดันาอันว่าตัดตั้งหลายเพิ่นทุกข์เกิดแก่เก็ตายนั่นเห็นว่ า, า, า, วาอะ ตรงเป็นถูขเป็นถูขนะได้รับตรงได้รับส่วนปูน ส, น, ปนส่วนกุศลที่พระค้าพเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วแต่ผู้รับเขาก็แบบผู้ศรัทธาเขาเจ้าประดาปวยหนุลงมาผู้ที่ตรงเขานั่งนี่องค์ตรงไปถามก็ไปนีจะไปว่าขอบพันีไหมขอบพันฝีไหมผัใหายหรอกฝีไหมมันโอนให้ยมือไหม่ทุงมือทุงมือเตือนว่าใครโดน คำวมาแรงมากกัใหายยุ่มมือแต่ว่าผู้เอาเอาเพรา่เพราะฉะนั้นหลวงพึงจาเนี่ยจำเลยมือหนึ่งหนึ่งนาทเพื่อจะได้รับชั้นปุณกุศลชุดนี้แล้วมาหายเราไมีค้นรับจะได้หย่างไปหายขับขับ้าไปเรีนไปหัวไปเพื่อนปเพื่อนกินเหล้ากินยาข่ากันตีกันพิสัยคนี่แพงปุณกุศลมาหาจะได้รับก็ราะถามก็ไปแม่ จงกป้องคุ้มคององคตนใน่วบุญารัีศีสีนงฤาบุญกุศลปู่หลวงปอพระเจ้าประสงในปฏิบัติมาแล้วทิ้งะติดในชาติโรกนี้จงมาลวงการจงกปุ้มครองอนในช่วงบุญบารมีศีสีนงจงมีแต่ความุขคเจริญสุขกายสุขใจหาจากทุกข์โศกอกพ่ายกำนัลกำนัลเพียใดศาสนาเพงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยขอในหลักธรคำสั่งของพระพุทธเจ้า ลงประกันตั้งอบตั้งใจปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล่ผมมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปฏิบาตในปัจจุบันในชาตินี้เกินสาธุาถมเสียาธุเอาคือ เดลานันสาโตุตัยอนุโมทามิตว่เวรทั้งวอกที่มับเสียงจมทั้งบ้านก็จะยิ่งว่าบ้านผมอ่ะยิ่งหัวก็ยิ่งับยิ่งปอดบ่กลิงยิ่งหันก็ยิ่งปอดบ่ก็ยิเสียง วลาแต่กวนไปให้ป็นหน้ามากเป็นว่เงียบคนใดใกล้กันแล้นใดขีดอย่านี้คือเหมือนวงามีหรอผมมีผมม่่งผมมีานุนต้านเป็นไปแล้วไปจนเลยบผมมี อ, มอย่างก็ ถ้าบุญต่อขอเกลือ้เมือเศร้าก็ตัดเงินม้วนุ่เจ้าทุกโลกประกาศเต็มไม้ไปร่เิม้นในมือนี้นะครับคอยมาละปีนาวัดหลอกสลากการโอนเรี้ยเราแต่ทำธุรกิจในสลากการโอเรี้ยนี่ตัดแต่เวลาต้องุเวลาเลยเจงเจ็ดโมงตนเจองกัน ไม่กิกรรมนาทีอุปสมบทศิชาปกติพระเจ้าปฐ์ออกรับเป็นตบาดนี่กรณีกําแเปนออกตนยน่อมตังใจรักใจเมื่ ร, มรวมทำท่านทาบูนปอออกตนย อ, อนงอัรีของยอโน่องรับไมนม่นิรันดรนาไม่ม่นั่ถูกต้อาาตงอเป็นยูถือรอดมันก็ประยเริย์พอเปินป่นค่ไปจิตวัตร พอของพระพุทธเจ้ายกเว้นเฉพาะของตนญาติโยมกิตติธาราสนานิมนต์ตัวพระเจ้าจริงจรี่ก็ควนสำนึกไว้เพมของเล็กน้อยเนี่ยพระสงฆ์โยมเพียบทั้งมีไนพระสงฆ์โยูเนี่พระสงมีบาทออกกินตบาทแล้วมานั่งสาสัญด้วยนะเพราะด้มันกับขึ้นราสนานิมนต์ของญาติโยมมีแล้วเป็นสิ่งที่ถูก้อ เราจะนับตรอเป็นองครละตาปติจะมพระทานในมนประมาณกจ็ดโมงตรงออกจากการถานที่พักนั่งสมาธิภาวนาเป็นลูกโปงช่วงประยะดเวือลา่าหกโมงเคิงก็ได้ประมาณท่องว่งสะอาดเพื่อสาธาชนะในบ ร, ริเวณสาราจมความกังวลทจับจับจับมีอย่งนับต่อไป